เออมาทุกาารพิสูตรก่อนนะตรงนี้ท่านกล่าวถึงเรื่องของดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอะไรเล่าเป็นอั ส, สาธาของอุเวนะนาทั้งหลายดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิสูจนในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกรรมสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปถมฌานมีวิตกวิจารปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ ในสมัยใดภิกษุสงัดจากการสงัดจากอักษุษรธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ในสมัยนั้นย่อมไม่คิดจิตของภิกษุนั้นนั้นไม่คิดเพื่อจะทําลายตนย่อมไม่คิดเพื่อจะทําลายผู้อื่นและก็ไม่คิดเพื่อจะทําลายทั้งสองฝ่ายในสมัยนั้นย่อมเสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนเลยทีเดียวดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี่เรากล่าวว่าอัสาธาท่ของเวทนาทั้งหลายมีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งด้วยประการอย่างนี้ฉะนั้นถ้าหากใครได้ปฐมฌานนี่นะออกจากกรรมคุณท่าได้ออกจากกรมฉันท่าคือความยินดีเพลิดเพลินออกจากปยาบาตคือความเครียดความโกรธออกจากขีณามิท่าคือความโหดโูทดท้อถอยออกจากอุตตจารกุจจาคือความพุ่งสร้างลำคาญใจออกจากวิจิกิจฉาคือความรังเลสงสัย ถ้าสามารถออกได้เขาเรียกได้ปฐมฌานเนี่นะที่จริงระดับกุปจาระนี่ก็ได้แต่ปฐมฌานนี่ท่านได้ถึงระดับชั้นอัปปนาสมาธิตรงนี้เขาเรียกว่าอาศทะของเวทนามีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งถ้าเทียบกับอะไรเทียบกับเวทนาในการคุณทั้งหลายแปลว่าเขาได้เวทนาที่ประณีตกว่าเวทนาในการคุณ ประการที่2ดูก่อนภิกษุตั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุทุเดียฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์เพราะอะไรเพราะละ ง, งับหรือสงบวิตกวิจารณ์ไปแล้วมีปิติสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ในสมัยใดภิกษุบรรลุทุเดียฌานหรือฌานที่สองมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ เพราะวิตกวิจารณระ ง, งับสงบไปแล้วในสมัยนั้นย่อมไม่คิดเพื่อจะทําลายตนไม่คิดเพื่อจะทําลายผู้อื่นไม่คิดเพื่อจะทําลายทั้งสองฝ่ายในสมัยนั้นย่อมสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนเลยทีเดียวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าอสสาท้ของเวท น, นาทั้งหลายมีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งนี้อันนี้บ่งบอกถึงอะไร เวทนาในทุติยชาตนั้นละเอียดกว่าประนีตกว่าสุ ข, ขุมกว่าเวทนาในปฐมชาติทาไมจึงมันบอกว่าละเอียดกว่าประนีตกว่าสุ ข, ขุมลุ่มลึกกว่าเพราะในทุติยชาตนั้นเป็นเวทนาที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณเพราะสภาพของวิตกนั้นยังมีการตรึกอยู่วิจารณ์ยังมีสภาพของการตรองอยู่ <G l anya> ใช่ไหมการตรึกการตรองอยู่ยังถือชื่อว่าเป็นเวทนานอย่างหยาบ แต่ระดับปฐมฌานหรือว่าละเอียดเนือถ้าเทียบกับเวทนาในกรรมกุณ น, นะแต่ถ้าระดับทุติยฌานเนี่ยเขาออกจากวิตกที่เป็นสภาพที่ยังหยาบออกจากสภาพของวิจารณ์ที่เป็นสภาพที่ยังหยาบ อ, อยู่แล้วเป็นเวทนาที่ละเอียดระดับทุติยฌานคือเป็นฌานที่2เอน็นเวทนานี่ละเอียด ก, ก, กว่าประนีกว่าปฐมฌานเป็นเวทนาที่ประนีตกว่าละเอียดยิ่งกว่าสมัยต่อมาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุอุเบกขามีสติสัมปชัญญะและสวยสุขเนาะด้วยกายเพราะปิติสิ้นไปนี่บรรลุตตเียฌานแล้วพอบรรลุตตเียฌานเนี่ยนะในตัตเตียฌานเนี่ยมีความป่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นนนะก็หมายความว่าเป็น มีสติสัมปชัญญะสวยความสุขด้วยกายและเพราะปีตินั้นสิ้นไปแล้วในสมัยใดภิกษุมีเวขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยกายและปิติสิ้นไปบรรลุตาเยชาญเป็นต้นในสมัยนั้นภิกษุบรรลุตาเทียชาญมีความส่องใแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นนะเพราะปีตินั้นสิ้นไปแล้วเนี่ยในสมัยนั้นอุเบขา เป็ต้นตั้งขึ้นในสมัยนั้นย่อมไม่คิดเพื่อจะทําลายตนไม่คิดเพื่อทําลายผู้อื่นไม่คิดทั้งทําลายตนและผู้ทั้งสองฝ่ายในสมัยนั้นย่อมเสวยเวทนาอันมีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งทีเดียวดูก่อนที่สูจนทั้งหลายเรากล่าวว่าอาสาท้าแห่งเวทนาทั้งหลายมีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งอันนี้แปลว่าอะไรเป็นเวทนาที่ยิ่งละเอียดใหญ่เลยในตติยอาจารย์เพราะว่าไม่มีปิติวิตต วิจาร์ไม่ต้องพูดถึงนี่ปีติก็เป็นสภาพที่อยากถ้าระดับที่ตติยะฌานที่เขาควรได้ไหมเขาจะระ ง, งับเขาจะดับปีติเพราะปีตินั้นยังเป็นสภาพที่ยังอยากอ ย, กอยู่ถ้าไปเทียบกับสุขถ้าไปเทียบกับเวขาเนี่ยนะประการต่อมาก็ดูก่อนภิกษทุทั้งหลายอีกประการหนึ่งนะภิกษุบรรลุจะตุิยะฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขล ะ, ละัะทุกข์ได้ดับสมนณะโทมณะก่อนนั้นได้ บรรลุเบขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ในสมัยใดภิกษุบรรลุเจตุทัชานั้นไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพรอละสุขและทุกข์ได้แล้วดับโสมนัตโทมนัต้ได้ก่อนก่อนได้ด้วยมีเบขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์สมัยนั้นย่อมไม่คิดเพื่อจะทําลายตนย่อมไม่คิดเพื่อจะทําลายผู้อื่นย่อมไม่คิดเพื่อจะทําลายทั้งสองฝ่ายในสมัยนั้นย่อมเสวยเวทนา อันไม่มีการเบียดเบียนเลยทีเดียวดูก่อนบิกษตทั้งหลายเรากล่าวว่าอาสาท่ของเวทนาทั้งหลายมีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งอย่างนี้ต้งนี้แปลว่าเขารอรู้เวทนารู้วยใจแบบไนว่าเม่อเวทนานี่อัสาท่ของเขามีหลายระดับนะระดับที่เป็นไปกับโลภะในการมาคุณที่ะระดับที่ออกจากโลภะได้ด้วยอยู่ในปฐมฌานก็เป็นระดับเวทนาอย่างหนึ่งอยู่ไหม เวทนาในทุติยฌานก็ละเอียดกว่าประนีตกว่าเวทนาในตัตยฌานก็ละเอียดกว่าประนีตกว่าในทุติยฌานพอถึงเวทนาในจตุทัชฌานก็ละเอียดกว่าเวทนาในตัตยฌานเห็นไหมอย่างนี้าก็กล่าวตามเนื้อยะของจตุ ก, กนาในในที่ว่าดยฌานสี่ใช่มเครื่อรูปฌานสี่แล้วก็อรมูปฌานสี่ไม่ได้กล่าวตามเนื้อยะของปัญจมนัย ถ้าในปัญจมนีเขาจะไล่ไปตามลำดับปฐมวชาร์ทุติยวิาร์ตติยวชาร์เจตุลิชานแล้วก็ปัญจมิชาร์ถ้าปัญจมณีนี่ปฐมวชารละแม่งยังไม่ละอะไรแต่ทุติยวิชาร์ละวิตกตติยวชาร์ละวิจารเห็นไหมแล้วก็เจตุลิชารละปีติเนี่ยแล้วก็ปัญจมิชารละสุขและทุกเนี่ยแต่ถ้าในจตุกนัยเนี่ยปฐมวชานเนี่ยนะมีองค์ฌานห้าวิตกวิจารณปิติสุขเวทนาเอกตาว่าไปส่วน ทูติยอาจารย์ก็องสามลาวิโตวิญญาณไปเลยเนี่ยนะสัตนติย อ, อาจารย์ก็ละพิติจตุติอาจารย์ก็ละสุขและรักทุกข์อะไรก็ว่าเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าจตุ ก, กนาย น, นั้นในของพระสูตรอีกอย่างหนึ่งก็ในของพว ก, ก, กุปชิตปาปิญญาเ น, นี่ตรงเนี้ยพอข้อต่อไปท่านก็กล่าวการในเรื่องของ ที่จริงในในตรงเนี้นะถ้าจะว่าเวทน า, าที่มันละเอียดนี่นะในอากาสารัญจายตนาวิญญาณัญจายตนาอากิญญาญญาณ ย, ยตนาเนวะสัญญานาสัญญาณ์นะนี่นก็เป็นเวทน า, าที่ละเอียดเป็นไปตามระดับใช่ไหมชี้ว่ากล่าวแล้วก็แล้วกันไม่ได้กล่าวชื่อว่ากล่าวแล้วในเวทนาในลูกเพราะถือว่าเป็นเวทน า, าที่ละเอียดที่ประณีต ก, กว่าเวทน า, าเหล่านั้นให้อาสาธะกไหมให้หมดเลย ให้อาสาท้าให้ความยินดีให้ความเพลิดเพลินสัตว์ทั้งหลายติดเวทนาเหล่านี้กันเป็นแดวเป็นเดียวแล้วออกจากเวทนาเหล่านี้ไม่ได้ใช่ไหมตรงเนี้พระเจ้ารอบรู้อย่างเงี้ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าเป็นอาทีนะว่าเป็นโทษของเวทนาทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปลบวนเป็นธรรมดานี่เป็นโทษของเวทนาตรงเนี้เห็นสังเกตดูเดียวว่าเวทนาเหล่านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ย ไม่เที่ยงเลยนะเวทนาเหล่านี้ไม่เที่ยงเลยทั้งๆที่มีความบริบูรณ์มีความสุขขนาดนั้นสังเกตดูดีว่าไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยน่าจะได้เวทนาที่เที่ยงกับไม่เที่ยงนีกไปเกิดเป็นอรูปพรหมก็น่าจะได้เวทนาที่เที่ยงกับไม่เที่ยงอีกสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปลปรนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่าเรานั็นของของเราไม่ควรมีอัตตาและอัตตานิย่าในสิ่งเหล่านั้น ก็ควรจะมาวิจัยควรจะมารอบรู้เวทน า, าเหล่านั้นโดยประการทั้งปวงใช่ไหมสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ยอมคนใช่ไหมสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรเปลีนเป็นธรรมดาคนรไม่ที่จะตามยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นเราเป็นของของเราควรเบื่อหน่ายไหมควรคลายกำหนัดไหมควรจะคลายกำหนัดตั้ง น, นั้นควรละไหมควรจะละเนี่ยควรจะปล่อยตั้งนานแล้วไม่ควรจะยึดถือ ทีนี้พระพุทธเจ้าก็สอนในเรื่องของอาทีนว่าถึงโทษของเวทนาโทษของเวทนาที่ไล่มาหมุนกลับไปดู42อย่างเชื่อเป็นโทษของเวทนาทั้งหมดไหมนั่นแหละอันนี้จะโตโรกะโตคันตะโตสาราโตอาคัตโตอาพาตโตบราโตประโโลกะโตอิติโตอุปัททวโตอาสาตาโตพโตโุปัสตโตจระโตพังกาโตเป็นต้น เวทนาด้วยความไม่เที่ยงเป็นโรคเป็นวิญญาเป็นลูกศรเป็นความลําบากเป็นความมาพาดเป็นอย่างอื่นชํ่รุดเป็นเสียดเป็นอุบาทเป็นสภาพที่ไม่สําราญเป็นภัยเป็นอุปสรรควันไหวกระพูพักเวทนาด่านั้นไม่ยั่งยืนไม่มีอะไรต้านทานไม่มีที่หลีกเล้นไม่มีสาระเวทนาเป็นอัศรณาโตนะไม่ใช่สาระนะลองคิดดูว่าเวทนาในปฐมฌานเนี่ยเป็นสาระไหม ในทุติยชานก็ไม่ใช่สารณะแต่เุติยชันเจดุริชานเวทนาในรูปชานก็ไม่ใช่สารณะมิใช่ที่พึ่งเพราะบุคคลอาศัย ส, สารณะนั้นหรือแล้วไม่สามารถพ้นจากชาติทุกทุกชาทุกไปต้นได้ไม่ใช่สารณะม่ใช่ที่พึ่งฉะนั้นเวทนาทุกเวทนาไม่ต้องพูดถึงก็ขนาดเวทนาระดับในรูปภพ ม, มาโลรภพยังไม่ใช่สารณะแล้วแล้วเราจะไปพึ่งอะไรเอายมอมบางคลมีรูป ก, กี่คน หวังพึ้งลูกสักคนไะมหวังไหมฮะหวังเวทนาใดเรื่องไหมไม่ได้หรอกเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงแล้วไปหวังในสิ่งที่ไม่ม่เที่ยงสิ่งใดงไม่เที่ย ง, ง, ง, เ, ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขแล้วควรยึดถือไหมว่าเป็นเราเป็นของของเราใช่ไหมก็นี่ไงไล่มาตามระดับเวทนามีอาการสี่สิบสองไม่ยั่งยืนไม่มีอะไรต้านทาน ไม่มีที่เล่นเป็นสารณะได้ไหม <B it ress> ก็เราจะไปพึ่งกเวทนาเขาแต่งไง่ายกเวทนาของเรายังไม่มีไม่ใช่สารณะเลยไม่เป็นที่พึ่งนะว่างไหมว่างด้วยเปล่าด้วยศูนย์ด้วยเป็นอนัตตามีโทษหรือมีคุณ <B it ress> มีโทษ <B it ress> โดยประการต่างๆแปลปวนเป็นรรมดามีกัญสานไหมไม่มีกัญ ส, สารของความงามความเที่ยงความสุขความเป็นตัวเป็นตนเป็นมูลของทุกเป็นเหตุตอนทุกหมดเลย เป็นผู้ฆ่าก็อีกตรงนี้น่ากลัวมากหันไปดูที่เวทนาเนี่ยเป็นสภาพผู้ฆ่าตายหมดเวทนาแต่ดับหมดเวทนาเมื่อเช้าดับไปยังทำขันอื่นดับไปด้วยไหมสัญญาสังขารวิญญนณรูปขันก็ดับไปหมดแล้วแล้วเมื่อสักครู่ตอนมานั่งเรียนใหม่ๆที่โยมนั่งหลับเนี่ยเวทนานั้นหลับ ด, ดับไปหมดหรือยังยังจะหลับต่อไหมเนี่ย เนี่ยอเวทนาเหรา น, นัา่นามันต่บไปหมดแล้วบาปเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะไม่เที่ยงคิดอย่างนี้หรึเปล่าไม่เที่ยงมันให้ผลเป็นสุขไม่เป็นทุกข์ไม่เที่ยงนั่นแหละมันให้ผลเป็นทุกข์สุขเวทนาที่เป็นไปกับอกุศลเนี่ยให้ผลเป็นทุกข์แต่ถ้าสุขเวทนาที่เป็นไปกับอกุศลน่ะให้ผลเป็นสุขนะไม่ใช่ว่าสุขเวทนาเขาอกุศลให้ผลเป็นสุขก็นอนหลับมีความสุขมีไม่ใช่ ฉะนั้นเนี่ยก็เราไม่มีแกนสารเป็นมโมนิ่งทุกเป็นผู้ข้าเป็นสภาพปราศจากความเจริญเป็นไปกับกามมาสวะแมพระวาสวะอวิชาสวะทิฏฐาสวะเป็นไปกับอาสวะโย ม, มบุญบีจะถืออะไรมีเวทนาที่ไหนอาสวะก็เกาะกินที่นั่นมีอามีเวทนาภายในเวทนาอาสวะก็ติดแน่นภายในมีเวทนาภายนอกก็ยังไปยึดในเวทนาภายนอก ก็สิ่งไปยึดเวทนาเป็นลูกเราใช่ไหมก็เวทนามันดับไปแล้วแต่ามาเคยบอกกไปยอมคนนี้จะยึดก็บอกว่ายึดมันแต่ามาเคแนะนํำยอมอยู่คนบอกยอมลูกเนี่ยใช่ลูกของยอมไหมบอกใช่ก็บอกว่าเวลายมขอใครนะพยายาม ย, เยปปเมเนี่ยไปก้วนเสลติ้งไว้เนี่ย ไอเสลตี่บ้วนทิ้งไปเนี่ยเป็นของมยมอะถ้าเป็นก็กรอบมาใส่ถุงวงวยดูเนี่ยอาถ่ายวิาจารปศร้าไปใช่ไหมก็ลูกมันถ่ายออกจากท้องเราไปมันไหลออกจากท้องไปแล้วมัยังเี็นของเราอยู่วะเนี่ยมันแตกดับไปตั้งนานแล้วใช่ไหม <Yes. S 1> เราก็ยึดถือกันอยู่นด้เลยเพราเราคิดบ่อยๆว่าเปนของเราของเราของเรา หยุดคิดมา่อไรมันก็หมดความรู้สึกมันมันต้องคิดบ่อยๆด้วยนะว่าลูกเราลูกแล้วนั่ก็จํารูปไม่ได้ถ้าไม่คิดลองลองลองถ้าแต่ออกมาแล้วก็ไม่คิดเลยดิไม่คิดถึงเขาเลยดินะ่นเาจําหน้าลูกไม่ได้หรอกมันอยู่ที่การยึดถือยึดถืออะไรก็จำแล้วมแม่นย้ํามือเลยใช่ไหมคิดถึงอะไรมันก็มันก็มันก็ไปเรื่องนั้นในใจเนี่ยอายุมงคลจริงไหย ฉะนั้นว่าไม่ใช่ของเราเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าจะเกื้อกูลกันไม่ได้โดยฐานะมันได้บ้างแต่มันมยึดถือไปได้ต้องเข้าใจกับนี้ด้วยแต่ไม่ใช่ว่าโอ้ไม่ใช่พ่อเราไม่ใช่ลูกเราก็ทําตามบาดธนาเลยไม่ใช่โดยบัญญัติน่ะโดยสมมุติน่ะมันใช่แต่โดยความเป็นจริงน่ะมันไม่ใช่ให้เราเข้าใจทั้งปรมัทตย์และบัญญัติอย่างนี้จะได้ไม่รุ่มหลงในปรมาิตย์และบัญญัติ เต้องการละวิชาือความหลงในประมาจญญญารย์เนี่ยให้ได้แต่ไม่ใช่ว่าไม่รู้จักพ่อจากแม่เลยได้วไปทําบาปไปยุ่งเลยใช่ไหมเพราะขันนี่มีอุปการละคุณต่อขันนี้จริงไหมจริงเราต้องตอบแทนไหมต้องตอบแทนแต่ถามว่ามันเที่ยงไหมล่ะไม่เที่ยงมีความแปรปรวนตลอดเวลาไหมไหมไม่อยู่ในอำนาจ ด, ด้วยเป็นเหยื่อของมารมีชาติคือความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา มีความตายเป็นธรรมดามีความโศกความร่ําไรลําพัน์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองเพราะกิเลสเป็นธรรมดามีวิชาธนากรรมและภาษาเป็นปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะวิชาธนากรรมแล้วก็ดับมีเป็นโทษ ด, ด้วยนะลักษณะนี้ก็เลยว่าพิจารณาอย่างนี้ก็เลยเป็นอาทินวะของเวทนาถ้าพิจารณาอย่างนี้มันจะถ่ายถอนไหมอยากถ่ายถอนไม่อยากจะได้เวทนานิพพุนไหนแล้วใช่ไหม เวทนานำมาซึ่งความน่าเบื่อหน่ายเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายอะไรเราเป็นนิจรณะคือการถ่ายถอนของเวทนาทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายการกำจัดการละฉันทราคะในเวทนาทั้งหลายเสียได้นี่เป็นการถ่ายถอนเวทนาทั้งหลายนั้นถามว่าถ่ายถอนอยังไงการละยังไงละฉันทราคะเวทนาที่อาศัยตาเกิดขึ้นก็ไม่ยินดีไม่เพิดเผนไม่พร่ำถึง เวทนาที่อาศัยหูอาศัยจมูกอาศัยลิ้นอาศัยกายอาศัยใจเกิดขึ้นก็ไม่ยินดีไม่เบื่อเบิ่นไม่พร่ำถึงด้วยการวิจัยจนรอบรู้เวทนาเวทนาทั้งภายในภายนอกเวทนาที่หยาบละเอียดเร็ยวละเอียดนี่ใกล้ใกเวทนาที่เป็นอดีตอนาคตเวทนาที่เป็นปัจจุบันเวทนาไหนๆก็แล้วแต่นะวิจัยจนเกิดความเข้าใจจนนิสระนาเนี่ยจนยาจนปรารถนาละเวทนาเหล่านั้นไม่ปรารถนาเวทนาหน้าที่ไหน ถ้าเป็นไปในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกผู้รอบรู้เวทะนาะถ้าไม่รอบรู้เวทนาพระพุทธเจ้าก็จัดใลยดูก่อนพิการทั้งหลายสาําน้าหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งไม่รู้ชัดอสสาทัของเวทนาโดยความเป็นอสสาทะถ้าไม่รู้นะอสสาทะของเวทนาลองไล่มาตามลําดับสิเวทนาคือความยินดีเพื่อเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำมาลงทั้งหลายในการปรภูมิทั้งหลายนะเวทนาในมนุษย์เนี่ยถ้าไม่รู้จักเนะไม่รอบรู้นะ แล้วก็ติดแงะกับเวทนาในมนุษย์ก็ปราถนาเวทนาของมนุษย์อยู่แน่เลยเอาสูงกว่านั้นหน่อยเวทนาของเทวดาชั้นจ่าจงละราจิกาเวทนาของเทวดาชั้นเตาวติงสายามาดุสิตานิมานดรดีปรณิมวิสวัสดีใช่ไมเวทนาของบุคคลเหล่านี้ก็น่ายินดีน่าเพืิอเพินหมดเลยนะอาสาท่ามีหมดไหมนีหมดเลยเวทนาในผสมชาตทุติยชาติตาธิชาตจตุธาชาตเวทนาในรูปชาตทุกชั้น เวทนาเหล่านั้นน่ายินดีน่าเบืเ่อเพลนน่าพร่ำถึงหมดเลยถ้าเราไม่รอบรู้เวทนาผู้ไม่รอบรู้เวทนาออกจากเวทนาไม่ได้เนะี่ยเพราะมันติดน่ยให้อาสาถ้าให้ความยินดีให้ความเบืเ่อเพลิก็ต้องดูชีวิตของเราดิเอายู่ที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยถูกเวทนาหลอกเป็นแถวหมนใช่ไหมโอ้โหเขาบอกวัดที่ตรงนั้นสวยอยากไปดูไหมดูแล้วได้สุขเวทนาก็ไปกันแล้ว บางคนอยากจะไปเที่ยวเลยอดตะลับขับตะนอนนะนั่งรถเป็นวันเป็นคืนนะนู้นอยากไปเที่ยวเชียงใหม่บางคนนู่นเที่ยวภาคใต้บางคนไปอยากจะไปดูเลยเนะียแหลมผมเทพอยากไปดูแหลมผมเทพสมัยก่อนเนี่ยนะลากพ้าไปด้วยมาแ้วก็เรื่องก็นึกว่าอยู่ไปบอกบอกมาอยู่ไหวจะดีจะไปไหว้เนะี่ยแถวภาคใต้ไปทีนูน่นก็ผ่าอนะไรเนี่ยแหลมผมเทพ แล้วก็วิ่งขับรถไปกันแล้วก็ไปไปเสรนะ็จนั่งรถบัสก็ไปตอน น, น, นันนานแล้วหลาเกือบปีสิบปีที่แล้วพระก็นั่งนัดไป โ, โหยุ่งแล้วไอ้มาผิดงานเรื่องงานเนี้ปไปเนี่ยเขามันไม่ได้ไปในเรื่องกุศลเลยเท่าไหร่เ้าเป็นการท่องเที่ยวเชิงเอเขาเป็นการไหว้พระเชิงท่องเที่ยวก็นะครับในคราก็ไปก็าเขาจะไปดูเลยไปดูบ้าน ท, ที่ตกน้ํา <c oughs> ต็ว่ไงโอ้โหพอไปถึงกันก็โอ้โหไปยึดจ้องกันเลยนะรถไปจอดเต็มหมดเลยมะจอดเต็มกันหมดแล้วไปก็ยังฝูงมดเนี่ยมามันนั่งดูเอาไปดูว่าจะว่าอะไรเนี่ยออมาหยิบหนังสือเป็นทึกมาเล่องมึงก็เขียนเขียนโอ้โหเขาไปอามาเขาสังเกตดูเขาไปคอยจ้องถ่ายภาพกันก็ภาพตอนที่ผ้าคิดตกนะบางคนก็ไปจับคู่ถ่ายกันบ้างอะไรแต่ละบานก็ว่ากันตามก็ชอบใจเนเนี่ย พถ่ายไปเสร็จพอตะวันมันตกหายไปแล้วเริ่มมืดใช่ไหมโอ้โหวิ่งเหมือนโกลาหนหารถรอนมันจอดตั้งสามสิสี่สิบคันใช่ไหมไม่รู้รถใครแต่รถใครแต่เนี้ยมานั่งอยู่บนรถหนึ่ดูไม่บอกกันหรอกเราวิ่งกันไปเดี๋ยววิ่งผ่านไปก่อนไว้ามัแปลกมากประมานี่เขียนนี่มายังจําได้นะมาเขียนบันทึกไว้บอกว่าที่ที่ทุกคนอยากจะไป แต่ไม่มีใครอยากอยู่อยากจะไปดูแป๊บเดียวแค่นั้นไม่มีใครอยากอยู่สักคนเลยนะอนมาขึ้นมาเลย อ, อมาถามเนี่ยไม่อยู่สักคืนเ่ะน่าจะสวยนะเนี่ยกลัวไม่เอาแล้วก็กลัวตายเลยก็อยากไปเลยไม่อยากอยู่ <S <S แค่นั้นแหะยอมเสียเงินเสียทองเงินเพื่อจะเนี่ยเอาสุขเวทนาตรงนั้นอย่างนึงแล้วต่อมาก็หากินหาอะไรกันก็คุยเรื่องอื่นไปละไม่มีอะไรแล้ะ กอกลับมาถึงกรุงเทพถึงอะไรกันคุยหัวสวยจริงๆด้วยว่าลชนไปแหมไปแล้วไม่บอกเราว่าไงเนไปมีการโกดกันในแถ ว, วนี้นี่ไงวิ่งหาอะไรสุขให้ให้ใหอัศ ส, สาทัแล้วก็หลงแล้วก็ติดอยู่ลองคิดดูนะอัศ ส, สาทัาคือตัณหาที่ยินดีเพลิดเพลินไปทำกรรมไว้แล้วไปชอบใจหัวเกาะนี่ก็สวยใช่ไหมทะเลก็สวยน้าก็สวย ตัณหาติดไว้อย่างกรรมนั้นเรียบร้อยแนละ้วถ้าเป็นนี้ไม่ก่อนตายจะไปเกิดตรงนั้นเนี่ยถ้าไม่มีบ้านพนจะเป็นอะไรเป็นผีเป้าเกอกใช่ไหมหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นพวกมดพวกปลวกบ้างเป็นพวกปลาบ้างใช่ไหก็ก็อยู่แถวนั้นก็จะตรงนี้ลักษณะอย่างนี้ก็เรียกยว่าเป็นอสาทะโทษของเวทนาก็ได้ความเป็นโทษก็บอกว่า ไม่รู้ชัดอส า, าธาโดยความเป็นอส า, าธาคือไม่รู้จักคุณของเขาว่าแค่ไหนไม่รู้อาทีนะวะโดยความเป็นอาทีนวะไม่รู้โทษไม่รู้โทษของเวทนาเบต เ, เตอร์เหล่าเนี้ยที่หกที่สี่สิบสองประการเนี่ยถ้ายมมงคลรู้อะเวทนาเนี่ยให้คุณได้แค่นี้ยสูงสุดเนี่ยที่สุดจริงจริอะสูงสุดได้แค่เนี้แล้วโทษของมันเยอะแยะหมดแค่เนี้ ถ้าไม่รู้อย่างนี้ออกจากมันได้ไหมต้องรู้ไหมถึงจะออกได้แล้วก็นิสสระนาคือการถ่ายถอนเวทนาด้วยความเป็นนิสสระนาตามความเป็นจริงพวกนั้นหรือจะรอบรู้เวทนาทั้งหลายด้วยตนเองหรือจะชักจูงผู้อื่นเพื่อเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติแล้วจะรอบรู้เวทนาทั้งหลายข้อ น, นี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ก็หมายความบอกว่ า, วาถ้ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะจะเป็นเจ้ารักที่ไหนก็แล้วแต่กูบาจารย์ี่ไหนก็ได้แต่ ถ้าไม่รู้อสสาทาโดยความเป็นอสสาทาถ้าไม่รู้จากอสสาทาของรูปอสสาทาของเวทนาอสสาทาของสัญญาอสสาทาของสังขารอสสาทาของวิญญาณถ้าไม่รู้อารทินะวะคือโทษของรูปแค่ไหนโทษของเวทนาแค่ไหนโทษของสัญญาสังขารวิญญาณแค่ไหนตามความเป็นจริงนะแล้วก็ไม่รู้นิสสณะคือการถ่ายถอนออกออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านั้นตามความเป็นจริง แล้วเขาจะปฏิบัติเพื่อพ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารได้อย่างไรแล้วอย่างเนี้เขาจะรอบรู้ก็จะปฏิบัติเพื่อออกจากเวทนาเหล่านั้นได้ไหมไม่ได้พราะพระยาบอกข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เพราะเขาไม่รอบรู้เวทนาท่ะนั้นอย่างเราต้องการจ ะ, จะออกากเวทนาใช่ไหมโยนฟันในหวงบอกว่าอยากจะออกจากเวทนาและต้องรู้จักเวทนาไม่ใช่รู้แค่เวทนากําลังเกิดก็ให้รู้ จบเล ย, เเยเเอย่าเงี้ยเวทนาไม่จะมีแค่เวทนาเดียวมันต้องวิจัยเวทนาทั้งหมดที่เป็นโลกียะของเวทนาทั้งหมดถ้งงั้นตัณหาก็ออกจากเวทนานี้ก็ไปติดข้องอีกเวทนานึงออกจากเวทนานี้ก็ไปติดข้องเวทน า, น า, านเขาไม่ได้ฉุดสายวิจัยไม่ได้เขาต้องรู้เวทนาทั้งหมดรู้จนตัณหาไม่เกาะจนเห็นทอดของเวทนานี่หน้าเบื่อนายเลย แต่ไม่ใช่ว่าต้องไปทำให้เวทนาเหล่านั้นเกิดทั้งหมดม่จเ่แต่เขาให้เรียนรู้รอบรู้ว่ามันเป็นโทษอย่างไรแล้วมันมีคุณแค่ไหนและจะออกจากมันยังไงถามมาในสังสารวัฏในเวท น, นาเหล่านี้ที่ไม่เคยเกิดกับเรามีไหมเอาเราไม่เคยเกิดเป็นสัตว์นโลกนี้ไหมสัตว์ด า, าันเปรือัอสุรากายมนุษย์เทวดาพรหมหมดแล้ว เราละเวทนาเหล่านี้เราเคยมีมาหมดแน่ดีฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องกลับไปได้เวทนาเหล่านั้นจริงๆก็ให้รอบรู้ให้วิจัยทำไมให้วิจัยเนี่ยไอ้กรณีที่ไปบอกว่าให้ดูเวทนาที่เป็นปัจจุบันนะอย่างเดียวเนะี่ยัเป็นโทษมันรู้ไม่หมดแล้วเป็นจริงไหมอ่ะแล้วถ่ายถอนได้ไหมในข้อที่จริงมันก็ถ่ายถอนไม่ได้ การศึกษาที่ไม่มีการวิจัยอย่างรอบคอบเี่จบแต่ภาษาทางโลกเขาเรียกเจงกับเจ้าไปไม่รอดใช่ไหมแล้วมันจะไปได้ยังไงคือเราเราการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยศึกษาเพื่อถ่ายถอนนะเข้าใจนะไม่ใช่นะศึกษาเพื่อถ่ายถอนเพื่อละเพื่อเห็นโทษแล้วต้องรู้ด้วยกว่อจะเห็นโทษต้องดูว่าคุณมันแค่ไหนตามความเป็นจริงนะรู้จักคุณตามความเป็นจริงแล้วจะโทษตามความเป็นจริง การถ่ายถอนวิสารณะถึงจะถึงจะถึงจะน้อมออกได้ตามก่อนถ้าไม่รู้ออกไม่ได้พุทเจ้าว่าผู้รอบรู้เวทนาพิกิุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามเราได้เราหน่งรู้ชัดอาศะถ้าเขาเวทนาหรือความมีอาสาถ้ารู้เลยพรทเจ้าจะรู้เวทนาหมดเลยนะรู้เวทนาในใบภูมิเป็นยังไงในสัตว์เดรัจฉานเป็นยังไงในเปรตเป็นยังไงสุรกายเป็นยังไงเวทนาในมนุษย์ในวานาในเทวดาในพรหมเนี่ยพุทเจ้ารู้หมดเนยแม้เวทนาที่มี ในชั้นโลกุตระพระองค์ยงแท ง, ง, งตลอดเลยยุ้งแล้วก็รู้โทษของเวทนาเวทนาเที่ยงไหมเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นปนัวผีเนะี่ยอันนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยท่านก่าวย่อที่จริงอ่ะต้องรู้42อย่างทุกขันเป็นอย่างนี้หมดไม่ใช่เฉพาะเวทนาขันรูปขันก็ต้องรู้42อย่างเวทนาสัญญาตั้งขานวิญญาณก็ต้องวิจัยอย่างเงี้ยถ้ารู้แบบเนี้ย รู้เพื่ออะไรรู้เพื่อไต่ถอ น, นเพื่อไต่ถอนเยอะไหมสี่สิบสองนี่ยไม่เยอะเราถ้าจะแลกการละกิเลสใช่ไหมไม่เยอะเลยสมมตินะบางคนเนี่ยฝากเงินในธนาคารไว้สี่สิบสองธนาคารจําชื่อในหมดจะพอเวทนาีอาการสี่สิบสองจำไม่ได้จริงๆนะเห็นไหมของมันชอบใจหนูจําแม่ น, นทําทุกวันใช่ไหมนั่นแหละจําดีนะ แต่พอจะรู้ครับสอนแล้ว โ, โห่ยากทำไมยเยอะเหลือเกินไม่ไหวละไปเจอพวกนักร้องบางคนมันจําเพลงได้เป็นเป็นห้าร้อยเพลงอยู่ดีวะทำงานวันนคุณเนี่ยจำได้ขนาดนี้พระตไตรปิฎกคุณน่าจำอู้ไม่ไหวแล้วยากแล้วว่าเพลงนี่แสนยากก็ท่องจนหน้าดําตาแดงแล้วกว่าจะจําไปแต่ละเพลงเนี่ยไปท่องไปเหน็ดไปเหนื่อยไปซอฟจนมีครูปดอย่างนี้เลยนะแต่เวลาจะศึกษาคำสอนนี่โอ้โหมันมากไปท่าน ทำอนิดเยอะอะไรเงี้ยเยอะไม่สิ่งที่จะจําแล้วออกจากทุกข์ได้ไม่กล้าจําแต่สิ่งที่จะจําแล้วติดอยู่ในสังสารวัตกล้าที่จะจําใช่ไหมบางทีของในร้านจำได้หมดเลยจะไม่ยิงไม่ยอมกูจำได้หมดเลยราคายังรู้ด้วยเนะี้ยไม่ต้องบอกเลยถามราคาอะไรบอกป๊อปป๊อป๊บอกได้เลยบางคนนี่หมายเลขโทรศัพท์คนนี้จําแม่นเป๊ะหมดเลย เป็นร้อยเลยใช่ั้ยเนี่ยเห็นไหมแต่ทนี้ก็สี่สิบสองี่เป็นเรื่องง่ายมากญญาอญญาจารย์น์นะคะคืออันนี้เราเความศรัทธาในพระเจ้ดาด้วยฉันทาคือความรักความรักความมุ่งมั่นนตรงเนี้ยโทษของเวทนาโดยการเป็นโทษนิสสณะการถ่ายตอนจากเวทนาโดยกามเป็นนิสสณะอย่างที่กล่าว ม, มาแล้วในตามความจริง พวกนั้นนั่นแหละหนอจักครอบรู้เวทนาทั้งหลายด้วยตนเองได้และจัดชักจูงผู้อื่นเพววื่อความเป็นอย่างที่ผู้ปฏิบัติแล้วจักครอบรู้เวทนาทั้งหลายได้ข้อนี้เป็นฐานะที่นี้ได้ก็ถือว่าพระเจ้าเนี่ยรู้อาสาทะ